วันนี้เป็นวันมงคลเพราะว่าได้นะสำหรับทุกท่านที่มาประชุมกันนวันนี้ที่ออกไปวันมงคลเพราะว่าพวกเราได้มาลุกขึ้นมาทำดีเมื่อเา้าก็ได้มีารทำสังสรรค์วันนี้เฉพาะเราจะมาฟักผ่อน การทำคุญด้การใส่บาตก็ดีการสำคุญธ้การฟังธรก็ดีเนี่ยย่อมทำให้วันนี้นะเป็นวันมงคลเราทำดีเวลาไหนใดๆมันก็เป็นมงคลเป็นเรื่องดีเป็นอารดีไม่ต้องรอว่าจะเป็นวันพระไม่ต้องรอว่าเรื่องารหรือองพระหรืออะไรก็ได้นะปีน้าของหลายานในที่นี้ เรีว่าก็มีความยั่งยืนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้สิ่งที่น่าจะนำมาพูดกันให้เหมาะับกาสก็คงจะมีเรื่องความสุขดราช่ความคุ้นจะเป็นเรื่องกรนาของทุกคนทุกคนเนี่ยรู้แต่ มีสุดมุ่งหมายของชีวิตก็คือการนำพาชีวิตใหอพบกับความสุขที่เราทำหลายอย่างตับบวละแต่งสุมุ่งหมายก็คือความสุขแต่ว่าเราแน่ใจหรือว่าความสุขที่เราต่อสายตาในเวลานี้เนี่ย มันเป็นควาสุขที่จิตใจของเราต้องการจริงๆมีนักปราชญ์คนหนึ่งชาวอเมริกันชื่อเบรตตี้ฟอโร่เป็นนักปราชญ์เมื่อประมาณร้อยี้าสิบปีก่อนเพูดว่าศพหนาปรกรรมของผู้คนก็คือว่า ใช้สื่อกูเทเพื่อจับปลาแล้วเราว่าปลาที่ได้มาเนี่ยมันไม่ใช่ปลาที่เป็นองถิ่เพื่อไปสง่งักการเพระว่าปารวมันไม่ใช่ปลาที่เป็นท้องถ่เนีก็อยู่้นปลาชีวิตมาหลายคนเนี่ยจะทุ่มเทสิ้เปลกับการ ได้มาอาสาสุขสาธิตเลยต้นใจแต่สุดท้ายก็วอกแต่บ้านตาชี้ว่านั่นไม่ใช่ความสุขที่ค ว, จวรจะตระหนเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดอขอึ้นกับผู้คนจำนวนมากหลายคนแด้พบ ว, ว่าในบ้านตาชี้นีย สิที่คุณเทมาตลอดมันไม่ได้สิที่ราต้องการเป็นความสุขจังแต่ไม่ได้ความสุขชนิดี่ชนิที่ติตใจเราสวยหรือส่วนลึของเราเรียกร้องพวกเราเมื่อต้องการปรรสบความสุขก็ควรจะทราบว่าความสุขเนี่ยมันมีหลายประเภท ถ้าจะทำแม่ยังแบบยางเนี่ยกนมีสองประเภทใหญ่อันแรกคความสุขที่เกิดจากการเราติดกัะตุ้นใจเป็นมาสุขทเกิดจากการกระตุ้นศัตรูเช่นกระตุ้นน้ตารูจมูกเล่นจังความสุขในนี้เนี่ยเป็นความสุขที่ต่องอาศัยวัตถมาเป็นครืบองกระตุ้น หลาเจะมี like forward, Gift, ่วาสุขได้เนยนะเพราะารได้ิอาหที่อร่อยอาหารที่อร่อยเนี่ยมันอร่อยแลมันให้ความสุขราะว่ามันไปกระุ้นดเาม่มีความสุขกรินอาหารจีนะเพราะว่ามันไม่เรามันไม่กระตุ้นดไม่กระตุ้นใตอเติมเต็มต้องเติมขึ้นไปเตนาวไปเพราะว่าเพราะมันจะตุ้น มันจะกระตุน้นริมมันจะกระตุ้นใจคุณแล้วก็ยิ่งมาสูขข่จากการทาเพลงที่ทกระเทศกันที่มีจังหวะเราได้ไหมถ้าเริงมาสู่้ตัวมันใจล้าต้องเติบแต่กะตุ้นกระตุ้นท้องผู้กระตุน้นท้องใจคนฟังแล้วเนี่ยคไม่ได้เบียดเต้นนี่คือความสุกประเภทแรก เราไปดูความสุมานกระตุ้นใจความสุจากเทศสัมพันธเนี่ยหรือเพศรนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการกระตุ้นลด้นวแต่ถ้าเกิดเราตื่นเราก็ต้อเกิดคัามตื่นเต้นถ้าจะว่ายุ่งๆในน้อยที่เขาติดประการณกับรสิ่งสับรถแข่งบางที่รูะตเรานง่านเขาบอกว่กระตุ้นสระตุ้นขวัญ ที่ดูความสุขที่รูกเก้เปิดสัวใจรู้จักแล้วก็ปรารถนาหลายคนเนี้นยมีความสุขเพียงแค่ได้ไเชี่ยวบ้างเพราะว่าพอได้เห็นของหรือสินค้าใหม่ๆ ม, มันต้องไปกระตุ่นตากระตุ้นใจและมือถือก็อยากกระตุ้นหนุ ด, ด, ด, ด, ด้วยเพราะว่าอาจจะได้เห็นคนแต่งตัวสวยตัวความสุขชนิดนี้มันทําให้เรา ให้ความสำคัญกัเ ง, งินทองเพราะว่าถ้ามีเงินทองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะมาเราผูกระตุ้นกันได้กินอาหารที่เราได้ความเป็นที่พักได้ดืน้ที่สนุกสนานหลายคนเนี่ยจะดื่มน้ำให้สุกเนี่ยเขาต้องเป็นน้ำที่มีแอคชั่นนะมีจกจะต่อสู้บูรงังขามถ้า น, าน้ำจริงจะพูดกัน พูดเกวันและเรืนี่ยก er ็ถือว่าไม่สมดแล้ก็ไม่มีาสุขที่อยู่เพรานได้เนี่ยมันก็จะเป็นสัมผที่จะวยกทั้งมากแล้วก็คจะพูกับคนอื่นว่าเพราะว่าคนดูแลนี่มีความสุขเป็นความสุขนดนี้เนี่ยเป็นความสุขที่เข้าได้เร็วมาดีที่ดเย มันนความสุขประเทที่สองคือความสุขที่เกิเดจากคามต้งข้ามเลยนะตอนแรกเนี่ยมันต้องรรเราชดเชยใจจะมีความสุขตอนที่สองเนี่ยด้วยจิตเนี่ยค่อยสงบสงบลงเพื่อก็จะพบความสุขอย่างหนึ่งความสุขที่แบบนี้ความสุขแบบนี้เนี่ยใช้เวลาแล้วก็เข้าถึ ง, ไ, ง ไ, ได้ไม่ไม่ง่ายความสุขประเภท ผ็ไม่ตาจากเด็กๆเนี่ยนะหรือผู้ใหญ่กตางเนี่ยถ้าจปกินน้ำหวานเนี่ยนะก็จะรู้สึาอร่อยเปนแต่จะมากินน้ำผลที่จืดเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันดีที่ตรงไหนแต่เราก็ไม่รู้ว่าน้ำผลไม้กินได้ทั้งวันหรือได้ทั้ทงวัน แล้วก็ดือได้ํำชาคำชีแต่ว่าน้าหวานเนี่ยมันอร่อยเกิดแค่สมผัสแรกเกิดแค่จุดแรกที่ได้สมผัสนิดเดียวตามแต่ว่ามันกินนานไม่ได้ดื่มนานไม่ได้ถื่มมากๆเขาเพื่อการเกิดโรคทำพห้ฟันปูทำให้เป็นโรคเบาหวานง่ายความสุกประเภทแรก ที่เกียว่าความสุขที่เกิดจากการเราสุขตืข่นใจก็จะนองนะก็คือว่ามันให้ความสุขใจติดใจของเ ม, ไมาได้รวดเร็มนะแต่ว่ามันก็มีโทษดูจะดูวาเป็นความที่เกิดที่โทษในถ้าเด็กศุกจะพูดจะใช้คาที่เรียกว่าการสุข การมารูกเนี่ยก็คือสุขที่เกิดจากการเราถืกระตุกนกันเป็นสุขที่เกิดกนการกระตุ้นสัมผัทางตาทางจม้กทางกายแล้วก็ทาสจิการเราตางเกิดเป็นอาหารที่อร่อยเป็นทุกข์ก็ทางที่สมุนทึนเส้นนัหรือว่าการที่ได้ไปประจุในต่าต่างการที่ได้จะเจอประสบการณ์ที่มันสมุนทึนเส้น จะจะไปสถานที่ที่ใจตงตื่นตาตื่นใจให้เราได้สนุกสถานที่ลูกค้าก็จะต้องการหาโครงการะประราได้เจอเจอทางการประเทศและสุดท้ายปารก็เริ่มจะเป็นสถานที่ที่มันทำให้เราเกิดความตื่นตาตูกิใจจะไที่ตอนหลีญี่ปุ่นอเมริกาฝรั่สถานที่ไดต้องเลือกที่มันจะทาให้เกิดความตืมนตาตืนใจ ธรรมชาตชาติบริจาคกเป็นสิัทงที่มนโหดรการต่างนี่ก็เป็นความสุขที่จะอยู่ในประเทศนี้นะาการไปเล่นาการไปออกาการไปไปสนุกดิสนีย์เวลหรือว่าไปเล่นกิจกรมหรือว่ากีฬ า, าประเทนีที่มันทองห้เกิดความสุขเล่น ก็เจอในความสุขประเภทนี้ตอนนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่เข้าถึงไดเรื่อยๆแต่ว่าก็เจอไปเรโ่อหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการที่จะให้ได้มันเนี่ยมันในข้อบครองของเราหรือการที่จะมีความสุขประเภทนี้เนี่ยมันต้อง เหนื่อยในการแสวงหาเช่นจะต้องมีเงินและจะมีเงินได้ก็ต้องทำงานหลายคนเนี่ย่อยากทำงานนะแต่ต้องทำงานเพืจะได้มีเงินแล้วพอมีเงินแล้วก็จะได้ความสุขประเภทนีได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องเหนื่อยในการรับสา โทรศัพก pues ja, um ็ดีรถยนต์ก็ดีเพชรินึงกิาก็ดีบ้านก็ดีเนี่ยมันให้มาสุขกับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสิ่ที่เรยว่าเชื้อนาสุทภูมิเราแต่เราต้องมีการรักษาต้องระวังไว้ไม่ให้คนจกมาขโมยมาตกจริงเราไปจอดรถก็ต้อง ไฟบอกว่าจะมีคนมาขโมยรถไฟหรือเปล่านะจะมีคนมาพู่ขีดหรืองนั้เป็นต้นเสร็จคิดตงั้นคืว่าของเหล่านี้เนี่ยมาดูแลแต่ตกอยู่ภายใต้กดอนุญาตก็คือมันไม่จริงนะไม่ว่าจะดูแลสานอย่างไร สัวกวันก็ต้องเสื่อไปเสียไปหสือไมก็ถูกคนรนะับขโมยออกไปแย่งชิงออกไปก็ทุกข์อีกแล่วทุกข์ตั้งแต่ดิ้นรนเพือ่อหามาดเ้ืเ่นเพื่อรักษาแล้วก็ดิ้นรอแล้วก็เป็นทุกข์เมื่อมันต้องสูเสียหรือพ้าจากรอไปเรียกไดคว่าทุกทเกือบเลย ในเร่เาว่าสมัที่หลวงปู่ดูทรันูเนี่ยท่านมีชอยู่ปู่ท่านมาจากาคตนปีละบาปีมีกรมีายหน่นเนี่ยปอบตูจากว่าสัแกเป็นว่าที่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านักเสร็จแล้วก็มากราบหลวงปู่ก็มาเล่าาูชอบุมา ก็หลปก็ว่าทำมาเพื่อไรหวก็บอกว่าอยากรวยหลวงปู่ก็เลยเจเจอขึ้นมาว่ารวยกับรวยไม่ใกล้กันนะเพราะฟังก็สะดดหลวงปู่ไป i ามอยไรปู่ก็บอกว่ามันออกเสียงค้ายนรวยจะรวยแต่ามันไปตอบไปว่าเงินจะรวเนี่ยนะมัก็ต้องคุกเา ทุกไม่การักษาแล้วว่าเมื่อมันจับมันปูนไะปก็เป็นทุกข์อีกนะมันมันทุกข์ไม่จบอ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอารวยเลยเอาดีดีกว่าเนะืินใช้นเงแล้วอย่าอย่าไปหวังรวยมุ่งความดีดีกว่าเพราะาราตัวเนี่ยใจมันนี่มันเป็นปัจจัยที่น่าคิด้า ตัวนเ น, นี่ยถือว่ทุกในสัตว์มัรักษามันไม่ใช่แค่นั้นนะเพรานะว่าแม้นนะรเรารักษาเอาไว้ดีมันมไม่หายไม่คลองเลยแต่ที่ตามมาก็คือว่าต่อจะเบื่หน้าความสุขแบบนี้มันเบื่อหน่าอเรลานอง เ, เ, เที่ยงเป็นใหที่รองก็ตามเนี่ย พอจะทำได้สีดครั้งทได้ทที่สุดครั้งเนี่ยมันก็เราก็เริ่มเลือดรสุดาจากการตองเจแล้วก็เพ่าลงอาหารที่อร่อยเนี่ยไม่ว่าจะราคาแผแงแค่ไหนเนี่ยตอนที่กินมือแรก น, นอร่อยจต่เมื่อากินมือเรกินอาหารช น, นทุกวั น, ท, วนทุกมือเช้าเินกลางวันเรากินเย็นก็กินกินไปตลอตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ย มันจะยังอร่อยมันให้มมันจะ้ความตระัไจะเป็นยาจะเป็นูสลาดจะเป็นซาไแว้เรคิดย่งเงี้ยกนทวัเื่อเยจากที่อร่อยนะก็เริ่มเปเร่บื่อทีรกกเฉยจากอร่อยปเฉยปลาก็เ่่อตินต่อไปนะก็จะเริ่มี แต่ถ้าซีรี่อเนีนยมันก็อาจจะเป็นอาเจียนเล้ก็ได้อ่ารนี่อร่อยเหมืนเดิมแต่ว่าเราด้วยความสุขแล้วถ้าเราใส่เป็นต่อมเราซ้เสื้อผ้าซือหรองงานเนี่ยแค่ทุกปีหรือแคทเดือนเลยนะใตอนที่ซื้มาก็มีความสุขนะไม่ว่าเป็นเสื้อไมไวเก็นรองเท้าสุกเท้าแต่แล้วพอใส่แค่ครั้งเดียวสองครั้งด้ว คนไม่ได้ตายเลยนะชือว่าไม่เหมอนได้ใช้นาาเนี่ยองแก่ทวันับเดือนสองเดือนขึ้นเดือนทําไม่ต้องอยากขึ้น ต, ตัวองพักเหมือนกันเราีซื้อมาเนี่ยมีวาสุดที่ได้คือแต่ว่าตองเห็นตองพกคู่นั้นไปนสักเดือนสองเดือนสามเดือนแมไม่มืนได้ใชเรื่งเดือนอยากได้คู่ม เปนไม่เล็กธรมดามากที่บางคนจะจึงลองพันสาคู่สามารถใส่ทุกคู่เราไม่ได้แส่ทุกคู่แต่ว่าจึงมีรองเท้าเยอะแยะอย่างนั้นเพราะว่าไอ้ที่ซื้อมาตันก่อนนั้นเบื่อก็เลยต้องซื้อใหม่พอซื้นใหม่ไม่นานก็เก่าก็ต้องซื้นใหม่บางกนมีเสื้อเป็นร้อยร้อยตัวมีแขนเจดีที่ความเป็นเนื้อผ้าั้น หาต้องฟังของรัไม่หมดแต่ทไมซื้อซื้อใหม่อยู่เรือยเพราะว่าไอที่มีเนี่ยมันเก่าและือแ้วเลยผลว่าไมหลายคนเนี่ยจึงมีจิตนะเพราะว่าพอพ้นเวลาต้องเือไปาที่ว่าเน่แค่สามเดือนเงินบางคนก็ต้องสองจิมาแต่งงานกันแล้วไอ้ที่ได้มาแต่ผู้ปรกอก็มีความสุขสุเ้น แต่พออยู Thailand, and and ่ไป um, ่ไเบือวามคิดงเหมือนเดิมต่ไม่ได้ไได้่ยว่ยะไเลเหมือนเดิมแต่ว่าคาั่วายต่อไปน่าเือแล้วเรื่องปุก็เหมือนเดิมปุถุ้าปุชาเนเหมือนเดิมเหมือนสมาร์เดิมแต่ว่าพัฒนาสามเดือนเดือนหน่งคือเบื่อตอนคือปัญหาแล้วเพราะว่าจะหาเป็นหลักประกนไม่ได้ใช่ไหมครับเราซื้อสินค้าซื้อเสื้อผ้าซื้อรองา อันนี้เป็นสองหน้าตาของมนุ น, นนะก็คือว่ า, าอุตาหะารที่สาสั่งเลยเพืที่ได้มาแล้วอที่จะได้มานเพื่อถ้เพื่อาอ็นแต่ได้มานะต้อง้อเลยแล้จะต้องหาที่เรหาหของใหม่หาต้นใหม่เพื่อมาเกี่อหาไไเลยง่ายๆอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นโทษนะเป็นโทษ ของความสุขประเททนี้ผู้ง้นกว่ามาสุากมากทุกนะแต่ก็หน่ายเร็วเป็นะสุขชัวข่วคราบแต่ว่าลุกอยางนาและม่เเกิตวันใหม่หลายคนเนี้ยต้อ ง, งวิ่งหงีหลบหนีถามาเรื่อยๆดีแล้วตื่นได้ต่อต้องถามใหม่ต้องมีใหม่ตัวเอี่มี การป็นเรื่อะไรั็เยอะถ้ามันไงมันคืว่าความรู้ประเนี้นได้ไเท่าไรก็ไม่พอได้ไเท่าไรก็ไม่พอมันไม่ใช่พื่อโทษหรือง่ายนั้นนะแต่เพราะว่าความรู้สึกสุขจากการที่ได้สิ่งใดๆมาตาเนี่ยควันสุขได้มาทมันก็ เ, นนเริ่มงเฉยนะ ก็ต้องหาใหม่หรืงีมันทุกเพราะว่าเกิดการเสพเที่ยงด้ยเนี้เนี่ยคนหลายคนเนี่ยนะแล้วก็มีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านเ็ก็มีความสุขเขาก็ไม่คืนความพอใจหรือหยุดแต่ต้องติดลมหามาดูดเลือยดูดเลือดหลายคเนี่ยถา แก่เปนโชคดีมากแกได้ถูกรางวัลแกเป็ถูกลุตต้ ย, ยพอลูกลวก็มีใจแต่ความอินใจบางทีก็โ่กรายเสร็จงคงครแล้วก็เมื่อหรือว่าอยากจะหาใหม่อยากจะมีใหม่ก็มีการสอบถามคนที่ถู ก, ากรางวัลในราการรางวัลายารมีทั้งสลากที่โชคดีทั้ง หลายหลายระหลายเมื อ, องเนี่ยมีแล้วก็รางวัลก็เป็นเงินก้อนใหญ่ติดล้านน้อยล้านบางทีเป็นพันล้านบางทเป็น็นปเป็นแสนต่างเลยนะผู้คนจะไปขยันไปถามความรู้สึกของคนที่ปลูกแบตเตอรี่ถูกสลับกินโลกสลับจริงแดงเนี่ยเป็นน้อยน้อยคม น, นะถ้าถึงกบก ก็ค ok okay. ือว่าส่วนใหญ่90เปอร์เซ็นตเนี่ยความสูกจากการที่ถูกรักรีเนี่ยมันอยู่ได้งแค่ไม่เกินหนเดือนไม่เกินเดือนพอตอนีดันก็อิจใจเหมือนจะพึ้งถนสเซ็แต่ว่าความสุขนะความอิจใจก็แค่ลดลงลดลงลดลงพอถึงเดือนที่หกเนี่ยความสุขมักจะลดกลับไปประมาณกเดืน คือเฉยจแต่ถ้าเกิดว่าเงินก้อนั้นเนี่ยเกิดหายไปหรือว่ามีคนมองโกเลียก็จะไม่อยอมก็จะเปิดเผ้นะแล้วสิ่งที่นา่าสิ่งที่นา่นากลัวอย่างของควารรมรู้ท่านนี้ ค, นนนคือว่าคนจะฝุกไปยึดติดกับใจตรงนันได้งา สามารถจะเป็นธาตของมันหลุดไรู้ตัวตอนนั้นเนี่ยจริงไม่น่าแปลกใจทำไมผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยจึงยอมทำผิดขงมยเมินคอรัปชั่นพ่อค้าอยากได้เงิอนอยากได้ผลประโยชน์อะไี้ยกองทุมันทำให้หน้าขื้อเนี่ยทำให้หน้ารื้อ อยากได้มากเนี่ยแล้ทํา ง, งานก็ต้องโกก็ต้องขโมยเขาอยากได้เื้ออยาได้รองเท้านะที่มันแตกตาเสจใจไม่มีงินทำานก็ขโมยออกไปไปป้นไป ท, ที่เขาเปียนเพออยากได้รองเท้าในที่เคยมีเม่อเสิสี่ส ก, ก่อนยุคไมรุ่งจะไปฆ่าฆ้าตัวต้องการได้องเท้าในที่ตัวถได้สายแล้วัน ก็สัามาพสูญนี้ามสูญมด้สัมอ้ภาพสูญนีเนี่ยมันสามารถจะรอดลงให้เราเนี่ยทำตัวได้ง่ายเพราะว่าความความอยากมนก็น่ามือล้ววันนี้เนี่ยเราโอนเก้ามีการ p r o d u c t i o นมีการต้นที่มีการรับมงิกันเนี่ยแล้วดับจะต้นที่เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อินเื่อความสุขภาพมีพลังเงินลวมทั้งการไปผมคือไปชำเราเนี่ย ก็ชอบวางท่ามปนี่ทาทีก็ะติดกันก็จะตันเพราะว่าพอพอพอไปเผิมัยเรื่งเนี้ยมันเกิดติดง่ายมันเกิดารติดติดติดในเงินบุรเมติบุรี่ไม่ติดเหล้าไม่ติดยาติดยาบ้าน้ มันถือปเป็นเศกิมาสู่แค่นี้ซึ่ต้องได้มืการมีเงินแล้วก็ต้องไปขโมยเงินต้องไปโปลลักทรัพย์มันถือเปขั้ น, นหนึังก็คือไปฆ่านะฆ่าเพื่อนหรือฆ่าผู้มีชู่นเกิดข่าวลุมฆ่าพี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อหวังรูป ม, มรดกก็จะเป็นคนเร็วมากเลยนจากตองนี้เนี่อ ไปยึดติดกับความสุขเพด้อนไม้นี่แหละมันทำให้ท่านแล้วก็หลุดตัวนั่นคือเป็นความสุขที่ที่น่ากลัวมากผู้คนทุวันี้ไม่มีดูอยากไม่มความสุขนะฝักชื้นตุเกยดำรงอยู่เพราะว่าศาสนาเผยหาความสุขที่เกิดจากุความสุขที่มุ่งราติ จะต้องมีปัจจัยที่พุทตามในเรื่การสมเรื่องนี้เนี่ยการที่เรามาดูจักความสุกประเภศเองเนี่ยคือความรู้สเจความสงบเนี่ยมัเป็นสิ่งคัญคสุเภนี้มันงห้าสองควาุเพศแรกประเภแรกต้องเราจิตกระตุ้นอยงนี้ประเภที่สองเนี่ยเป็นความสูขที่เกิดจากาจที่สงบ เมื่อจมันสนออารมณ์เสนออารมณ์เสนออร์นีจะต้อบความจร้นหลายคนที่เคยรู้จักแต่ความสุขที่เกิดจากอาหารที่อร่อยเป็นที่เคาะงที่ราตื่ะตุ่นใจต้องยี่งโดนแย่งรันพอได้มีโอกาสที่ที่คนบที่เงียบสงบหายคนจะรู้สึกว่ามันมีอะไรน่านน มันมีบางอย่างภายในที่รู้สึกบริหาปรารถนาสิ่งนั้นายคนที่มาวัดสมาเนี่ยก็ปากตักโตประ โ, โยนหน้าที่พูดจารกรรม ก, ก็คือว่าที่นี่มันสงบและเสียหน้าเขาเนี่ยมันจะไปเสีงหนา้นาเขาสุดปื้พอใจหลายไนเลยคือว่าทาน่นี่คือสิ่งที่ขหห้างใน เป็นเร่งที่ข้างในเรายังอริา่งที่มีคนต้องการความสุดวกแ่นี้มาหลาคนเนี่ยหลังจากที่มุ่นหวังชีวิตในเมืองกอถึงวันหึุดมาต่อที่เนี่ยเขาอยากจะออกไปไกลไปไหนเข้าป่าไปอยู่ต่อขึ้นเขาเพราะาะไน เขาไปตรวจสอกครับตรงนู้นมอเรื่องที่จะไปทราบในที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ในระยาเนี่ยเลยอกเลยว่าบ้านพักที่สัญญาณโทรศัพท์มเนเข้าไปถึงเนี่ยมันเป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็ราษาก็แพงด้วยมคนเจอไปน้อยเลยเนี่ยตอนถึงวัสบที่เนี่ยก็ก็จะเก็บชื่อที่เราคุนเคยนะไปที่นี่ตรงนู ไม่ใ่แบบสะกจากเสียงรุ่วานะากแต่อย่างไรขึ้นส well ัญญาณโทรศัพท์เพราะว่าามีสัญญาโทรศัพท์อะเขาบอกไม่ได้ทียต้องเปิดเช็คเมลดูโทรศัพท์แล้วก็วุ่นวายมีหลายแหงเนี่ยที่จะลงเวลทริษัทที่เขาดเครื่องนะจากเครื่องสือญาขึ้นเครื่องโทรสัญาณโทรศัพท์เนี่ยแวนก็ไม่ยอม ส่วนใหญก็เป็นพวกที่มีเงินมากพวกนี้เนี่ยเขาตัวชื้อวุ่นวายมากแม้มีเงินเยอะนะแต่พอถึงจุดมันก็ปรับาสถานที่ที่มันทำงานี๋ยวนี้ตานนี้กมือถอเลวมาเนี่ยก็ปรับธนาความแบบนี้อย่าไปที่นี่มันไมีเสียเพลงนะไม่มีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ เพื่อจะจจะได้สงสารต่อควาสุขที่มันต้องหาทียาและน้ำหวามเนี่ยใ้ความสงบแบบนี้ต้องหาที่ยากขึ้นเรื่อยอที่กรองรู้ว่าฟาสงบตอนนี้าเนอะเป็นทองนะความสงเวลาเป็นอะเป็นทองตอนที่มีกับความพูดว่าเรีนสช่นกันเ้นถ้า็นหมู่บ้านรายแห่เลยนะเชื่อหมู่บ้านหญ่ทเียนี่จะเชหรือคื จะาความสงบเยือกันในวัอปาตการเปนเรีว่าวัดป่าต้องการเั็นสถานที่ไม่กี่แห่งนะในประเทศที่ยัง ก, ก่อจะพ้กับความสงบผู้เจ้าการในวัสุวรรโมกว่าให้บุคคลเนี่ยผู้จักนอนและนั่งในที่สงบสงบนกานอนเะยกนอนและนั่นนในงในที่สงบสงบนอันนี้เป็นหนึ่งในก ก็คือจักรเสถียการ น, นอนและนั่นในที่อั่งสนบกสนานอย่างรัศมีเนี่นยที่ที่สมุกสํานที่นะมันเป็นแค่มันเป็นความสมุบภายนอกสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือความสนบกภายในจริงอยู่นะเราการที่เราดูความสมุบภายใน ไ, ได้ ดูใจที่สงบเนี่ยเริ่มแรกพอลอยต้องอาสายสถานที่ที่มันสงบเช่นภูเขาฝ่าไม้สยู้านงห้องที่สิตแอร์โรงแรมถ้าอยู่ในกรุงเทพกต้องติดตัวระายตตัวระบอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศภายนอกให้เกิดความ แล้วมันจะช่วยปอบใจให้สมองภายนอกด้วยอย่างวก็ตามเนี่ยถ้าเราจะหวังความสมอภายนอกที่ต้องอาศัยความสมอภายใกเนี่ยให้ความสมองดานนั้มันก็ไม่เที่ยงเพราะว่าที่มาบรเดืยนนี้เนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็มีเสียงดังนะอาจจะไม่ใช่เสียงเพลงแต่ก็เป็นเสียงที่ผ่านมาติดต่อกันที่สมอง แต่ว่าถ้ามีสัญญาโทรศัพท์ถึงหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตถึงมีข้อความออไรน์เาไปรูปให้เราอ่านก็ต้องไห้สมองจับนะปลายกดรเนี่ยเลยจังไปต้องมีโทรศัพท์มือถือด้วยแต่ความสมองภายในเนี่ยถ้าเราความสมองภายในจะถูกที่กับความสมองภายนอกเนความสมองภายในของเราก็จะ จะง่ายคอนแฟร์เราต้องเรียรู้ที่จะพบกับความประกอบภายในเราที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเฮ้ยสถาบันตกใจเลยจะเดินขึ้นได้จากใดในธรรมศาสตรเนี่เราตสใจเลยมันเริ่มเป็นรา่การที่เราเป็นผู้มีสิทเป็นผู้ทำความดีคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีสิทธิ์เรา้ม่ทำความดี เราไปละเมื่อิทธิ์เกี่ยวกผู้เนี่ยได้หร่ที่สมบูนะติจารก็วางรูปติารย์วางรู้ดอกประมณเราเกิดไปรับประมณจะโกไครหรือว่าไปติดสิข้อสามหรือปฆ่าสามมีความรู้สึกหรือบางทีก็มีความรู้สกร้อนใจแต่เราเล่นเราทำความชั่วอย่านี้เรก็เกิควาลุบอประมว่า จะต้องใช้การไหมหรือว่าตำรวจก็จะก็จะโปะความกิดหรือเล่าใครคัามคิดที่เราทาเนี่ยไอความที่เราทาเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยไหมแน่ๆอยู่ในห้องติดน่จตใจก็ว่างด้ี่ในป่าจิตใจก็ภูมิทันเพราะนันเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยจตใของความดีนะการมีสี่เแค่สิ่งาก่อน ถ้าเราทำสีห้ร็งนะไม่โผล่ไม่รักข้อมวลใครนะไม่ไปประพฤติจับใครเนี่ยไม่ไปดาใช้ทางเฟซุ๊กอินเทน็ตนไม่ไปปล่อยขาวลือเราก็สบายใจให้มาสบายใจนี่ก็เป็นความสงบต้นต้นะถ้าเราทำผู้กระสบใจต้องเริ่มต้นจากการที่เราทำความดีเริ่มต้นจากกที่มีสีน้าเร็ง แล้วต่อมาถ้าเราขยายถึงข้อที่8เรากจะายตรงนอ้ภาพขึ้นโดยก็ถึงข้อที่7เนี่ยก็คือการที่ไห้ไปปลูกคือการที่จกรับวางหรือรับเว้นงความสนิทสนานความรู้เรือการลัเล่นะจะเป็นเกณ์จะเป็นฐางเราเรียนรู้ที่จะวางว่า หรือละเมิดเหมอนันเวลาเราไปไหนเนี่ยแม้ว่าไม่มีเสียเลม่ีงานให้ดูหรือว่าไม่มีการเล่นใเราก็สงบไ้เราะว่จิตราเริ่มเป็นอิสระนะจากไอ้สิ่งรับอจะตใจหือันซึ่งไม่เป็นต้องากผู้บเราทำอไรก็ได้ซึือแม้แต่การละเมิดสิ่งที่เราเคยเคยินเคตใจก็ได เกมออนไลน์้ไปไหนเนี่ย น, นจนนยิตใจจะวอกผู้ักโทติต่สาตับไปที่ขึ้นอต่อตานะติดคอนเกมอนญญ อ, อไมนไลน์แต่ว่ไม่มีสัญญาณกันเลยูป่านยู่วัดป่าเรื่องราววุ่นจิตใจเพราะว่าจิติดแต่ถ้าเร า, เราลองฝึกละใน ล, ล้างวางดว่าจะกรทั่งจิตใจเราเนี่ยสญญามารถจะวางได้เราก็จะสงบุด้ไปที่ไหน ก็ไม่ต้องไปขึ้นสิขึ้นพาหรือขึ้นคืนแล้าวายนเรเรื่องในการที่เราทความดีเมื่อเราทาความดีเนี่ยเราก็จะมีความปิจฉาใจเราไปจะมีความร้องยุ่งอยู่ในใจไม่มีความวิตกกังวลไม่มีความสุดติดตอกหลงจังแต่แล้วตาเนี่ยเพียงแค่มีสีเนี่ยนะมันเป็นขั้นต้นเราต้องตามเราต้องฝึก ก็ต้องไปใจก่อนนเชีนรู้จักทสมาธิเพราะว่าบางหลายคนทำงานเยอะเสร็จเดี๋ยวว่างดูอาจจะว่างขึ้นมาเดี๋ยวนี้คนเราเนียไม่ได้ทยุงานแล้เมื่อกลับบ้านงานไม่ได้เลอกตีโมกึ่งบ่ายโมงเย็นเดี๋ยวนี้งานตาไปถึงบ้านตาไปถึงห้องนอน ตามาทลายของทางเต้าีนแล้วจังทีนี้เวลาทำงานคนสมายนี้มันไม่แช่เริ่มต้นเจ้าโม่แล้แลเลอกสื่องัวาเร็จนะมันเริ่มแต่ตีห้าตอนทาือมาแล้วก็ไปเลิกแล้เพสือเรื่อรานเลนอนไม่หลับถ้านที่เป็นควาที่ต่เพราะว่ารู้จักสุ่ใจรู้จักการทำสมาธิการทำสมาธิเนี่ยช่วยทำให้ใจ ใระวัาย audio. นความตั้งจินว่ามุงสร้างไปกับงานซึ่งเป็นเ ร, เรื่องสถิติหรือเป็นข่าวสิติที่อมาให้ถึงเกล้าก็เมื่อ <throp> <ka graffiti> เราตั้อยู่บ้านใจเรอยู่บ้านเมื่อเราเกลือู้ใจเราเกลือูเมื่อเราจะนอนเราก็นอนได้ก็เรารู้จักความสมาธิเืิดตงจิตเนี่ย ให้เหนึ่งให้จหิตมนจรมไายใจนะใ้ิมันอยู่กความสุตัวก็ได้ให้จิอยู่กตายก็ได้ซึ่งเป็นปัจจุบันสมาธิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เ ร, ราก็ปอบความสงบภายในแต่ความสงบเนี่ยนะมันจงความสุขที่จะเกิดผูเจ้าตัสว่าสุขที่ออกความสงบไม่มีความสงบที่นี้ไม่ได้ความสงบของจิตว่ารอ แต่ความสงบที่ว่านั่คือควาสมสงบใจสงบภายในไม่ใช่สงภายนอกและสงบภายในเนี่ยนอกจากเกิดขึ้นจา ก, กาที่เราดีใจแล้วยังเกิดทการที่เราจับทำสมาธินะสมาธิการเมื่อสิ่แวแน่น่เปลีนใจเปลงซึ่งเพื่อทำอให้เรากวบฟังเอส่ที่ทำให้อิจใจว่ารูงได้ไม่ว่าจะเป็นงานการไม่ว่าจะเป็นนิสัยนั่นที่ยังไม่ได้สำลั เวลาราทำวิะญาณก็วางตัวนอกการทำวิญญาคือสําคัญมากที์สติสติสติพือเมา่อจิตใจเราเนี่ยสามารถจะสงบได้ในเราเหได้่าเาจะุ่นรัอนหลายคนเนี่ยนะจะสงบได้เพต้องมีเหตุการณ์แต่เขมีเหตุการณ์ก็จะจิตก็แตกต่ แล้วพจิตต่างแล้วมันจะปโทษเรเป็ น, น, นเพราะเสียงกังที่อีกเสียงไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ใจเราใจเราที่วางไว้ไม่ถูกใจที่นึกจับควันนึกวางและใจมายึดเพราะว่าไม่มีสติใจนี้สติมีเรื่องเร่าว่าสมัยที่หรวงู่พุทธาินทิษย์หลงปู่พุทธาสมนะพุทธเจ้าเป็น เดี๋นี้กาส่จริงวันี้ลวงปู่ตาเท่านาที่มาัเวยในกรุงเทพวขนุรีัเเสร็จท่านก็จะกลับวัดโยมจ้าของบ้านกเือ่าหลวู่ชาแล้วด้เลยี่มนท่ท่านพักวเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยจากกรุงเทพิตุรีเนี่ยนั้นไม่ดีใช้วลานาเปลี่นลเลียงหลวงปเป็น จะน้อยพ่อนม่ครับเพื่อเป็นลู้สิษยลูกขาเรานั่งตื่นเตือนตอดหลวงพ่อเองัอยู่ลูกศิยกขาเลยในเพือนอะไรจากก็แต่ทต่ร้างแต่บางเอเนี่ยห้องพิจิตรห้องหลวงปู่อาเนี่ยคือเป็นห้องเฉานะห้องพิจิตรเนี่ยมันเป็นร้านโต๊ะวยเจ้าของคืออาชพคนจรสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจอเป็นเวลา ท้าใช่ไหมตัเดีเรว่ายกแตกสัยนั้นเนี่ยต้องขึ้นเดือาอยาแค่ไหนนะผลิตขึนเรารสมเกลือต้องมาเร่งทางผลเกลืนตัวเองี่และเดินเนี่ยเกลือก็ดำนเดินขึ้นบันไดเนี่ยเกลืเข้ามาในห้งท่ราูกจะวัดรู้สึกก็ไม่่อใจก็ดที่มันวามเดินไม่จริงใจเลย เขียามใจเลยเจงใจเลยรูดาน้ท่านท่านหลักท่านหลักตาแต่ท่านไม่ได้จำวันตอนที่เสียเปยรู้สึกท่านก็พูดเปลยเปลนอว่าตอนที่เกิดขัเขาู่้ก็พูดเปลยเปานบอกว่าเขาเจอเาีดีรออกปรณงเกี้ตัวเองนะเียีไม่ใชาปาคือเอาอุปกรณเกี้ย แต่วเที่ยวบกรรอเทียวาเรา้อูไม่มีสติฟัูไม่มีสติเนี่ยพอใจไม่มีสติูมันก็หาเรื่องนะอกูเตรองเทียนถ้าเราไม่อกตรเทียนะยิ่งทำยิ่งในใจก็เป็นปกติอันนี้เรียกว่าเกิดความสงบภายมีเรื่องรองท้าช้ากันะสวที่ลงปู่พ่อชาติพัฒน์โตเนี่ยท่านท่านังมีชีวิตอยู่เนี่ย ที่ว่าหนองตะพงเนี่ยคลาวเนี่ยี่าหนองตะงหมู่บ้านที่อยู่เึตว่าหนองตะโพงเนี่ยก็มีเขามีงานสองก็จะเป็นงานส่งงนแล้วก็มีหมอรัส่งอรับ่งไทยศาร์ที่เป็นงานส่เนี่ยนะเด็งดังทั้งวันทั้งคืนหลุดตืแล้วเนี่ยหมอรับสก็ยังไมเลิกนะจะเป็นหมอหลัก็ดีทางการก็ดีท่าเนี่นอนไม่หลับเลยเพราะว่าดังมั้คืน ก็พระก็เลยไปเจรจากับผู้ใหญ่บ้านนะขอให้หมอศพเนี่ยเลิกสามปีได้ไหมก็มาเจอนเยลาตอนวันละสอชั่วโมงปีสามตื่นตอนรงาชอบว่าไม่ยอมแต่ว่ามียอมพระก็เลยไปวางพูดของพ่อาติว่ถูกต้องท่านมีบารมีผู้กับชาวบ้านชาวบ้านเขจะฟังก็ลยเจรจาไปขอร้องหลวงพ่อาติเาจะหลอกชาวบ้านว่าให้พาวัน เพราะว่าหลว่อ้างพูดยังไงตอไปันะเาบอกว่าเสียงไม่ได้รบกวนพวกเราพวกเรารบกวนเสียงนะท่านตอไปท้ายหลวู่จารยนะเราไปลอ ง, ง<ม>อเชียร์หพ่อช้างว่าเสียงไม่ได้รบกวนเราเราเป็รบกเสียงมันเพราะทางัดใจเราเป็นอัตวิวาลุ่มไปตลดบอกกันกับเสียงและจากใจไปตลอดบอกกันกับเสียงที่ดังเลยมันเพราะใจส ไม่รู้ตัว mm ังเนากสหรบเวามีเสียงตัวสอบกาในห้องนี้ทันทีเลยจิกองเราบลเมอร์อรจะไปจอดที่เสียทันทีตอนี้เสียงนั้วก็ไม่ได anyway, ้เสียจังเท่าไร่แต่ว่าพอเราบูไปจอดทเสียงนั้เนี่ยเราก็จะเริ่มหนุนเสียงแต่ก็ไม่พอใจไม่พอใจเสียงไม่พอใจแล้วของโทรศัพท์แต่ตอนนี้เนี่ยจะครับก็จะฟังตามที่เรื่องตอนนี้เราจะมาฟังเสียงดังกว่า แต่ว่าพอเราจบจที่เสี่ยงนั่นแหลเราก็จะเริ่มไม่พอใจเราก็จะเริ่มโง่เสี่ยงที่เมื่อไรมจะเริ่มดังทีเจ้าของกองังอะไรจนอยู่สักปีอันนี้เราว่าเป็นอบกเสียงครับนะใจเนี่ยพอเป็นใจพอที่จะหาเรื่องแล้นใจที่หาเรื่องก็ไม่รู้ติตอนนี้เขาเตะทุ่มเนี่ยเสียงจะดับกังไปใจก็ไปใจก็ไปต่อรองกับเสี่ยงก็เสั้ยน แต่ม่เป็ไปตักใจไยเปบี Ik ่ยนนะทำนั้นได้เพรามีสติเสืิมรู้ตัวใจเสริมไปนะครับต่อไปแค่สติเนี่ยมันช่วยทำให้เราปรสความสงบใจได้แล้วเราจะเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยนะ๋วมันจะดังอย่างไรเราก็มีสติได้ถ้าเรามีสติเนี่ยใจก็จะสงบได้แล้วสติเนี่ยมันสามารถจะทำได้ในที่สามารถจะถูกได้ใน นอกจากสติแล้วเนี่ยนะมันยังมีตัวชั่วยอย่างอื่นที่ทําให้เราสาม า, ส ม, สมารถควบคุมความสงบใจได้ตอนที่สุดสมาธินะฝุดสติแล้วียานก็นคือการมองเประยชน์ของสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้จะเป็นมากเลยนะโดยเฉพาะในยานที่สิ่งที่มาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในตอนคันมันไม่ใช่แค่สิงดัง บางครั้งเนี่ยมันเกิดเองจะมีตัวต่อว่าหลับตเราหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะแม้ว่าจะติด จ, จะสมุขแต่พอเจอคำต่อว่าหอับตเนี่ยติดจ็เรื่อมเลยฟุ้งเลยว้าวุ่นรุ่มรอนที่จริงสติก็ช่วยได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ย ในคำพูดของเขาเนี่ยมันก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงผ่านไปเป็นวันผ่านไปอาทิตย์แล้วเนี่เจอรื่องจคิดิพูดคำนั้เวลาที่เราจะคำพูดคาต่อว่าจากพอซึ่งผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยนลใจเราไอใจเราไปอยากใลใ้หวานใใจเรานที่จะรู้ว่าจะคิดถึง พอรู้ว่าใจเราเกิดติดมันเนี่ยเราก็จะวางจริงๆความโกรธเนี่ยนะบางครั้งบ่อยั้งเกิดขึ้นเาร่เ็มติแต่ถ้าเราเต็มติปุ๊บเนี่ยมันช่วยเราเจริบุตรธพูดดูว่าทำไมจะจากความโกรธให้ขาดลังโกรธจิใจว่ารุ่นรุ่มร้อนต่อความโกรธพูดมาว่าไม่มีเจัดความโกรธให้ขาดได้ มีแต่รู้ทันมาเมื่รูร้ทันมามันก็จากไปทารู้ทันนั้นคือมีสติตอนนี้เนี่ยนอกจากสติแล้วเนี่ยการเทิ่มการที่เรามีมุมอมองในทางที่เป็นบวกเช่นใครก็ต่อว่าจะพอเรานะเรามองมาในเนี่ยหัวบ้างมีเจตสิมีท้าวตดิตดขันหนึ่งนะเป็นรู้ก่อตั้งองค์โราณ คือตุเลียยังผานเจอที่ได้หลายปีนะเลตุยยังจะดูว่าเนี่ยวันไหนไม่ผุดสมมิวันนั้นเป็นขั้วมงวันไหนไม่ผุดสมมิวนนั้นเป็นขแต่ว่าถ้าวันอะไรผสมมิตวันนั้นเป็นมงคลเป็นมงคลเพราะอะไรพรว่าวู้เลตมองว่าการสมมิตมีข้อดีประโยชน์ทำให้เราได้ความสุภาพของตัวเราทาให้เราล้วาตัวไมต้องแย่งใที่ตรงไหน และรวมทั้เป็นการช่อยลดหนักตาของเราคนที่เป็นผู้นำนะคนที่เป็นเศรษฐีบางคร้าเนี่ยต้อาจจะกตกอยู่ในตรงต้องนะอมีแต่นคนเชีย่ยวมีแต่คนโตงีแต่ครโแต่ถ้าเกิดว่ า, ารเราสมาทธิ์บ้างนะก็จะทำให้ตาหรื อ, อ่โกมในตรตงนี้นะทำให้กลัไม่เป็นผู้เป็นคนมากที่ไม่ใช่ เ, ชเป็นไม่ใช่คิวา่าเป็เจาร ในกรที่เรามองว่าเราทำกรต้องไปโยม น, นะผู้จัดการักว่าเนี่ยจงมองผู้ที่ชีโตว่าเป็นผู้ที่ผิดพลาเวลาใครทำผิดาเนี่ยให้เรามองว่าเนียก็เป็นู้ผิให้เรานะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยเราก็จะไมโกรธง่าเราก็จะไม่รู้ง่ายเข้าผั้นตังค์หรือแม้กระทั่งจะทำหลุมจากว่ากล่าวเราจะจ่ า, า, จะจายแล้ว เพราะว่าตราดูจากองค์ในประโยชน์ของมันอีนเรื่องเราว่าสอนที่หลวงปู่คาเนี่ยท่านมีชื่ออยู่หลวงปู่คาท่านดูวัาท่านความเทรนญแต่ว่นคือต้องรอที่ว่านี้เน an, ี่ยก็มีแม่ชีท่านก็ชื่อแม่ชีจ๋าเป็นผู้อุปถัมา์พระในอย่างดี แต่ว่าที่เมืเ่อเดือนตุลาคมนี้คนมส่วนรูว่าท่านปฏิบัติดีด้วยภาวนาดีจนทั่งหงปู่ขาพระชมหลวงปู่หลวปขาเนี่ยากให้ลูกศิสองท่านท่านจะได้กรศึาเชตัวไปดาไอิษย์จ๋าแต่าว่า้าเนี่ยรขาสงเดียดเชิดอะร่างรู้แต่แก็ ทำตามสัปกติิาแล้วก็ปริดาปัญหาความหลังกามาดูจากเช่นสายที่แรกต้งมงนะแต่ไม่มีสายก็ย่งนี้แล้วจะมงเขกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าเพื่ออย่างนมืแล้วก็รับความจาโดยที่มีอาการซุกพัดปวดเฉื่อยทั้สานนี้กดาจะเจดาไะสุดท้าก็ต้องย พออยู่นศ huh? bueno. ึกษาก็พูดาว่าท่านอาจารย์ท่านดาบอกเลิศสารฟรสาตซึ้นดีสารฟัรชาตซึ้งเหลืเกิที่ขั้นบุจาเยนะมันเป็นคำมานั้นเลยตามนั้นดานิดนะาชเพราะว่ามันจะช่วยปลูกตดเลยถ้าันเปาษาเนี่ยนะมันจะโต เราจึงก็กลัว่าเนี่ยครูาอาารย่าเราลูกศทางามีลแลข้าดีๆทำไมครูวาอาจารอว่าแบนี้ถ้วเกิดก็รู้ว่าครูบาาจร์กว่าเราเราจะหน้าดูไวที่ไหนแต่ถ้าศีรษะมันีะมบารที่ดีเลยแต่ที่ดานหู้กกนะอยู่ปาาจิตใจก็ว่างว่างข้างนอกสมัยแต่ข้างในเนี่ยปุ่นหวานก็คือแต่เ่อั้นเสมอราท่านมองว่า ไอ้คำดูดาเนี่ยม so so like like ันช่วยขุดสิเลได้มันช่วยลดอาการปวดต้นได้ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยนะไอ้คำดูดาว่ากลาเนี่ยนอกจากจะได้ทำให้เราเป็นกู้แค้นเนี่ยยังกับการของดี่ยู่อยู่ในความดูมองแบบนี้เริ่มเป็นู้มีสัญญาถ้าเรามีสัญญาแล้วเนี่ยนะใจก็สงบได้ไอ่ความสงบภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วจะถูกดูดาว่ากลาหรือว่ามีคนมาต่อท้าต่อ ต่อว่าหนักออกหแม้แต่จะเจออย่างหนึ่งท yes. ี่หน like ักกันเช่นเจ็บป่วยแล้วคนทีพเเจ็บป่วยเขเนป่วยใจป่วยใจด้วยจิตใจว่ารุ่นๆของรุ่นใจแต่ก็มีหลายคนนที่แม้ว่าจะเจ็บจะป่วยแต่ว่าใจไม่ใช่ป่วยธรรมดาไม่ได้ป่วยที่เป็นมะเร็นะ้ามาเคยขาดคนเนี่ย ไปเต็มอาจารย์ผู้ป่วยบงทกทาที่อาจารย์วัดโคกาได้มีผู้ป่วยเรียกผู้ป่วยหักน้ำเนี่ยมาพักรักษาตัวากเที่ยไปโรงพยาบาลของมออาจารย์เกนพวก้เจด็ดอือสองสี่่เยจะเป็นอะไรสมงจะอึดอั ผมรวงมันเ็นอะไมงแต่น้าตาตัยิย้เนี่ยหน้าเราแปกใจคุยไปคุมาเขาบอกว่ า, วานเนี่ยเจอดีที่ ม, ปป ม, มันไ ด, นด้เป็นมรงูปร่าอยากเป็นะเรรูปก็ปวดมากเลยหนูโชคดี้ีเป็นเช่นม็งสมองพูดได้หนูโชคีเป็นเนมรสองขอคนเช่เป็นเกลยวๆให้ผมแตกตปยเราะนอนใน ห, หลับน้ำปวดใจนี่เป็นสมองไี่ยินได้ อาจารย์เรียนใจข้างในเนี่ยต้งสงบเพราะว่าในงานบราบุมากเยระตักกระตางนี่แมาเจอจับมองภาษามองเราเรื่มมองแง่ดคือมองว่าเราเจออะไรเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ดีว่าดีที่ไม่ยากกว่านี้เจออะไรกตามก็จะดีที่ไม่ยากกว่านี้ที่มันใช้ได้กับวกเราเนเวลาโจรตัสายเงินหายติโ ลองคิดะดลองมีที่ไม่ไม่ไม่เสียใน่ห า, ายว่เปีนอะไรบนลกีถ้าเรามีสัญญาเนี่ยสา ม, มารถที่จะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆได้จะเป็นเปยนการแยกๆเราก็าาสามารถใจรักษาใจให้ถูกใจไห้สงบอยนูะ่ได้แล้ว่ า, ว เ, วาเจอคราเจอความยากลำบากกะเป็นช่วยได้ด้วยกามัญญา สองท้ายลองหาประจยชน์นเสู็จว่าเลยแต่ที่เราจะฟูปลาตกครวนะซึ่งเันทำให้เราปิดไม่ได้ไม่หลับแวเมื่อเราเจ็บแล้วเมื่เราปวยซ้าเติมปวดอ่ะที่เหมนเดิมรามองเดิมมันสอนอะไรเรามาสอนให้เรารู้จักราว่าระวังเวลาเจ็บที่สุดของต้องระวังเวลาจะวางอะไรต้องระวังจิตสติมันสอนให้เรา ได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแทจ้จริงนะมาดีกว่าเราเปแค่สู้ค ร, ราวมาสอนให้เรารู้จักปล่อยวางมจจาปล่อใจเราจับปล่อยวางเน้นเรามีปัญญาหรือรู้จักมองแบบนี้เนี่ ย, าา ย, ยการเล่นยากจะพูดกับเราจะเล่นสมบูรณ์ด มีช่างช่างไฟคนหนึ่งเนี่ยเกิดอิดข้าขึ้นมาเพราะว่าไฟแรงสูงเนี่ยมันไปนชอ็อตที่ขาต้องปาดขาล้สองขา้าที่ขาตัวช่วเลยนะและ้วก็ไม่นานเนี่ยาว่ามีอีกคือคือนะคนที่คนที่เสียขานี่ เจอคนดีเนี่ที่ปม่โง่รู้สึกอย่างไรนะผรู้สึกมันว่าความจามันนี่ที่แจมมันไ่ต้องรัอแต่รู้ชายคนนี้่เหคนทัวไปมีคนมาถามว่าเนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรึี่เมทีุณไปจตอบนี้จะตอว่าเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยพราแม้แต่ตาผมแค่แเนี่ยมันมือกผมเลย แค่นี้อู่ผมแนะน่ใจจะไม้ทุกนะจะไห้ทุกข์กับทุกอย่างที่ทำหได้ได้เห็นความจริ ง, งว่ามันเป็นสิ่ของเราเลยหรือไม่ที่เราคิดของเรามันก็ไม่ใชอะไรที่จะอยู่กับกเราไปได้นานๆตลอดแม้แต่ขาเนะี่ยมันมาของเร า, นะ า, นนาเราานี่ยตั้งแต่แรกเกิดแล้วมันดีคืนดีก็จากเราไปมันเป็นของเราที่ไหน นับาเลยกับเมียซ <sal on> like <AI> huh. <ton> ึ่งพึ่งรู้กันปีทีปีก็กาไใ้การนี่เข้จะทิงไปต้องยื่นบัตรจาอันนี้เนี่ยคนที่ที่เราได้ต้องมีปัญญามีปัญญาเห็นว่าเหมือนเมของเราเลยหรือสิ่งที่เราเชื่อเป็นของเราแต่จริงแล้วคนที่เราเห็นแค่ส่วนของของเราที่เกิดขึ้ขึ้นเนี่ยเป็นของเราสบายฉะเนี่ยตอนคนทังหมดยังพูดพูดว่า ในการที่คนเราเนี่ยถ้าเรารู้จักความสงบใจนะมันจะเป็นมันจะเป็นโชคเป็นรากอย่างที่เพราะว่าความสงบความพความสุขจิตอยู่เนี่ยเช่นความสุขการมีรยการมีเงินมีอการมีสิ่งเรุ้ขือพิ่มใจเนี่ยท้งผู้นี้เนี่ยมันให้ความสุขเราเป็นชค่วกลาง แ้เวลาที่เราย่ำแย่เนี่ยมันก็ช่วยเราไม่ได้นมีหมอท่านนึงเนี่ยซึ่งผังตัวเปนตัวผิดเป็นผู so ้หญิงนะแ้าเจตการก็ให่โตแล้วก็มามาแต่งงานกับหมอคนหนึ่งที่จะเป็นนักรกิจก็เลยกำัเลยมีเงินเนี่ยซื้อเพชเนี่ยเลียเป็นถุงเลยนะ เป็นตามเลยแล้วนสามีกัจริงเจอแฟนเจอใจใจมากเพรนนั so, angel, says, el, roid, ้นเขาุกเาตุกบื่อตุยเุกอย่างที่จรเคยแ่ตุกเย็นอย่างเดียวนะคือตุกเ็นสามีต่เธอสวที่มันตุกเฉิกองเร้าเมกคุกเบื่มันไ้าให้ก่อนเร้านี่นะเจอว่าเอเอาเท็จนะอาเอาเน็ตอาเทเนี่ยเอามารเลย โมวางให้บนโต๊ะน so, ี้นะแต่ตอนนี้เห็นเทลลมีความสุขแต่ตอนนั้นเห็นเชลล์นี่นะไม่มีความสุขเลยเยมากเลยมันช่วยตัวหายคุ้มไม่ได้ความที่อนเห็นเชลล์นี่นะมันไม่ตายตัวเลยมันมีความหมายเราเทลที่เอมาเอามาวางนีมันเป็นจุดมันเป็นหายสิบล้านมันช่วยตัวไม่ได้ในยาที่ตรวางตัว เวลาพูดถึงคนท่เจ็บปวดกันและยตาตาเนี่ยเฮ้ยเ้ท่าเสียงนท่อนนี้มีความหมายมันช่วยทำให้ใจสงได้มันช่วยทาให้หายทุกข์ไได้แต่ถ้าเรารู้จากความหลงใจแมจะเจอทุกข์เจอความทุกสูญเสียเจอความเกิความป่วยจะงสามารถจะเป็นปกติได้นั่นคือเรื่องขอ ความจ็บน้มันเป็นความสที่จะเสื่อมไปความสุขนี่มันขึ้นมาถ่สุขจากจิตเราตื้นใจมันจะเริ luence, hmm. tää, aa, hmm. ่มที hmm. hmm. Alors, yeah. ่ไปนะเพื่อาบอกว่าถ้าเราไปที่ติดมาแล้วเนี่ยเวลาหายเราก็เสียใจตู้ข้อตื่นใจคนใจของคนเนี่ยล้มป่วยนานทันทีเลย่แรกเนี่ยหลานรู้ว่าเป็นโรคกระดใจหรือเปล่าไม่ใช่ รอกว่าในจักรไฟเธอเนี่มานายไปคนใช้นาทำท่าดูนยกว่าที่ของทางพยานนะซูป็นน่งคุณบอกว่าของรักของหมวนะสูญเสียไปจะพิชัยกันน่าสนใจพิชัยี่คุอมาสามารถที่ทำให้เราทำชั่วได้ไปรัวไปประหลาดัน หรือกาทํารายุ่ต้องคุณคอยเลือกผลตางตุนต้องคุณกายเพื่อจะได้มีชักเพื่อได้มีเงินทองมากเนี่คือทิพย์ยของความสุขประเทศแ้กแต่คธุรกิจตอนนี้มันิดๆิพยไยมันมีแต่กระตุ้นชวนให้เราทําความดีและถ้าเราทําเราต้องปารถถ้าเราปรารถนาภาคธุรกิจเนี้ยนอกจากเราจะมีใจใฝ่ทําความดีรับสารสิ แล้วเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสามารถจะมีความสุขแล้วทำให้เราสามารถจะมีสิตที่เรียบง่ายสัโดษนแล้วคะที่ต้องการจะมีของมากมายเนี่ยเพราะว่าส่วนที่จะตใจเขาไม่รู้จักความสิ่งที่เรีบง่ายเลยเขาามสุขที่เจอเขาจะมาความสุขที่เกิดจากการมีและมีัวมาระดับสุดขั้นแต่ถ้าเวาเรามบความสุขภายในแล้วเนี่ยความสุขจาวัตถุจะเรื่องรอง ไม่มีก็ได้หรือก็มีตาสมควรสามารถจะอยาดันได้สามารถจี่ยาดด้วยชิ้นที่ง่ายไดเปีนี้อาจจะมีที่เขารอบหมดจักรวาอาจจะป่วยมากกว่าอาจจะป่วยเนี่ยพวกเราคนที่รับรู้นว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจงามนะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะสามารถที่จะร่ารวยนะพอเป็นแบงค์เป็นตัว เป็นเป็นวู้ว่าการแกล้งชาติมาสสองปีแต่ว่าพ่นเนี่ยต่อใจชีวิตสมัชชาเรียนมา้าหลังเล็กๆจอมเสน่เกยบอกท่านว่าจะตึกจะทาจะสร้างตึกให้ตึกที่ให้มันดูสบายจัดตัวเจ้ปฏิเสธบอกขอรูปบ้านบ้านหลังเดิมบ้านไมยที่ก่อนอ่าลือ แล้วปวเนี่ยสามารถจะรองคนอยู่ในความตื้อ ส, สั่นตเพราะว่าท่านต้างฝสุขภัยไปแล้วเมื่อต้องา่าสุขหัยไปเนี่ยท่านจึงสามารถจะอยู่อยา่างสงบอยา่างสงบได้ถิ้นบนกลงวันหรือแ้แต่ชื่อถิ่นเดียวเนี่ย มาดื่อนโให้ทานทำสที่ผิดไม่ได้เลยเพราะว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วจากชีวิตที่สงจากจิตใจที่สงบถ้าไม่ชเป็นฆารรนะเกลี้ยกล่อมนแต่ว่าสามารถที่จะลดละอะก็ได้ยอาศัยความมีเคร่องรี้ยใจห้มีความสุข แล้วเมื่อไม่ไม่ไปเพื่อพัฒาสุขภายในก็ไม่เป็นก็ไม่ไปลงรายที่ผิดกับเดทรัพยอนานหรือว่าทตั บ, บต ย, ย์ยยยยสินสนินัญ้าจึงสามารถที่จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างประจยัดอยู่อย่างสงบมีชีวิ้ง่ายได้รักษาความดีเอาไว้ได้จนวันนี้เราก็มา เราต้องจ้อัในางที่จะด a เหมือนการโนเราจะสบคือว <liquids? S 2> ่าหากเราปรารถนาความสุขเนี่ยขอให้เราปลดใจที่ว่าจะได้เรารู้ว่าความสุขเราไม่ได่ความสุขเกิดจากวัตถุความคาสุขเกิการที่ใจสงบ ไม่ปรารถนาเกิมาเร า, เาถูกกระตุ้นใจเกื่ควัตถุขและทั้งเราต้อความสุขที่เกิดจากความสงบได้เรอจะมีความสุขได้ในทุกโอกาสทั้งในอย่างขึ้นในอย่างลงทั้งในอย่างที่ประสบโทคแล้วเจอโชคมีป่วยพลาดท่าลุ้นใจยังไงใจกรื่องสงบได้นี่เป็นความที่เป็นนี้ เวลาเขกตากำลงควรเต้องต่อพฤติกรรมการปฏิบัติธรรม